วัดหลวงพ่อนะคนที่มาฟังธรรมะเนี่ยอายุเฉลี่ยน้อยกว่าวัดอื่นนะส่วนมากตามวัดแล้วผู้อาวุโสเยอะแต่ก่อนนี้คนหนุ่มคนสาวเข้าวัดไม่ได้นะเพื่อนลอหลวงพ่อเข้าวัดที่เข้าไปพอวนาเนี่ยอายุยี่สิบเก้าแล้วเข้าไปตามวัดนะคุณป้าคุณยายทั้งหลายเรียกหนนะูถ้าเรียกหมูยังใกล้เคียง เรียกหนูดีนะหนูบางคนเรียกพ่อเทพประบุตฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆอายุสิบเท่าไรแล้วเนี่ยวอกสิบเก้าบวกสิบน <c oughs> คนแก่นะ <c oughs> เห็นใครก็เด็กหมดอนะ่ะจริงๆแล้วยิ่งอายุน้อยยิ่งดีนะ <c oughs> ฝึกอายุน้อยๆมีเวลาเรียนรู้ตัวเองมากๆ ธรรมชาติของจิตเนี่ยไหลลงที่ต่ำตลอดเวลานี่ถ้าเราปล่อยให้จิตใจไหลลงที่ต่ำมาหลาสิ0ปีแล้วอายุมากแล้วมาฝึกฝึกยากบางทีไม่ไหลลงที่ต่ำนะบางทีไปทำกรรมฐานแล้วไปเพ่งไว้พอเพ่งมาหลาย10ปีนี่แก้ยากตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพปีแรกๆมีคนหนึ่งอายุ87นะอุตส่าห์มา เป็นลูกศิหลวงปู่เทศเหมือนกันอยู่กับหลวงปู่มานานักหนานเลยนี่ท่านพบว่านีท่านทํามันเป็นสมถะอย่างเดียวมันไม่มีปัญญามาถามหลวงพ่อว่าทํายังไงมันจะเกิดปัญญาหลวงพ่อดูท่านแล้วนะโอ้ท่านทําสมาธิมาหกสิบกว่าปีแล้วอายุตั้งแปดสิบเจ็ดตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหมนะท่านอาจจะอยู่ร้อยกว่าปีก็ได้ ดูไปแล้วไม่กล้าไม่กล้าแก้ไขให้คือจิตที่เก็บกดนานๆเนี่ยพอหันมาเจริญสติไม่เก็บกดนะกิเลสมั น, นีะขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะแล้วรู้ไม่เท่าทันเนี่ยทำมิปัสสนาไม่ชำนาน เ, นเดี๋ยวพลาดพลาดหลังตายไปด้วยจิตที่อกุศลเนี่ยลาดจะทำสมาธิเก่งจิตสงบจิตรวมอยู่นันะ มีความสุขนึกๆดูโอเดี๋ยวรอพระสิยานปลดก็แล้วกันจะทันพระสิยานหรือเปล่ายังไม่แน่เลยบอกเข้าฌานเพลินไปพระสิยานก็นิพพานไปแล้วงั้นเราฝึกเนี่ยฝึกตั้งแต่อายุน้อยดีสิ่งที่ผิดมันมีสองอันอันหนึ่งหลงตามกิเลสไปอันหนึ่งเพ่งไว้บังคับตัวเองถ้าอยู่ไปจนแกหลงตามกิเลสมันนานสู้ยากเหมือนกัน ถ้าอยู่ไปจนแก่เพ่งมานานนี่แก้ไขยากเหมือนกันงั้นฝึกแต่อายุน้อยดีที่สุดแต่ไม่ใช่น้อยมากนะสองขวบสามกวบใครก็สอนไม่ไหวไม่รู้จะสอนอยังไงวัยที่หนุ่มสาวเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังมีพลังทางร่างกายเนี่ยตั้งแต่สิบเจดสิบแปดอะไรขึ้นมาก็แข็งแรงเขาให้เลือกตั้งแล้วใช่ไมสิบแปด แต่ทางทางจิตใจเนี่ยคนเราจะมีวุธที่ภาวะเต็มที่เยประมาณอายุ35นิช่วงที่แข่งที่สุดเลยทาง จ, จิตใจคือประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาไม่เร่าร้อนไม่สุ่มเสี่ยงเนี่ยงนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูต้ตอน35เป็นช่วงวัยที่แกร่งที่สุดในทาง จ, จิตใจทางกายเริ่มอ่อนลงละ อายุถึงห้าสิบนี่นะอ่อนทั้งกายอ่อนทั้งใจละต้องระวังนะอันนี้พูดไม่ได้บั่นทอนคนที่เกินห้าสิบนะเกิดแล้วมาบวชตอนอายุหกิเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่มีน้อยพระพุทธเจ้ า, าถึงขนาดบอกว่าคนบวชเมื่อแก่เนี่ยที่จะอ่อนในการฟังธรรมนะฟังธรรมด้วยความอ่อนโยนเคารพน้อมน้มมียากหายากดื้อยิ่งแก่ยิ่งดื้อนะโดยธรรมชาติของคนเรา บางคนมันดื้อแต่เด็กยิ่งแก่ยิ่งโคตรดื้อเลย <c oughs> ดื้อมากกว่าเก่าอีกงั้นช่วงวัยที่เราดีที่สุดเลยช่วงวัยหนุ่มวัยสาวไม่เกินห้าสิบนี่คนส่วนใหญ่เอาวัยนี้ไปเซิฟคนอื่นไปหาผัวหาเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะ <c oughs> เราช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปให้คนอื่นซะและ้วเวลาที่เหลือของเราเป็นเวลากระพร่องกระแพ่ง <c oughs> บางคนกเกษียณแล้วยังไม่เลิกเลี้ยงหลานเลยลูกโตแล้วก็มาเลี้ยงหลานต่อกลายเป็นว่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปให้คนอื่นตจริงแล้วเวลาที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดนะควรจะมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะต้องมาบวชหลวงพ่อไม่ได้ชวนคนบวชนะมีคนมาขอมาชวนมาขอบวชอะไรเงี้ยหลวงพ่อจะต้องสักแล้วซักอีก ส่วนมากก็บอกว่าอย่าเพิ่งบวชเลยบวชเดี๋ยวก็สึกบางคนตั้งใจบวชตลอดชีวิตนะสองอาทิตย์ก็สึกละชีวิตเธอสั้นเหลือเกินคือ <c oughs> ถ้าเราฟังทมให้รู้เรื่องฟังสิ่งที่หลวงพ่อบอกเข้าใจเนี่ยเราสามารถฝึกกรรมฐานฝึกปฏิบัติเนี่ยขนานไปกับการทามาหากินได้นะ ถ้าเราต้องการมีครอบครัวก็มีได้ไม่ใช่ห้ามมีพระริยะที่มีครอบครัวก็มีไม่ใช่ไม่มีมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็มีอนาถบินทิกะมีเมียทั้งหลายคนเนี่ยนางวิสาขาก็มีครอบครัวมีลูกเยอะลูกดกนางวิสาขาไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ในครอบครัวอยู่กับโลกไม่ได้ แต่อย่าลืมธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจแล้วสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี้ยขนานไปกับการทํางานได้คนส่วนมากคิดไม่ค่อยเป็นนะทำอะไรทําได้ทีละอย่างคิดว่าถ้าจะทำมาหากินก็ต้องทํามาหากินถ้าจะปฏิบัติก็ต้องเลิกทํามาหากินอันนี้ถ้าเป็นนักวางแผนการทํางานเนี้ยเป็นนักวางแผนแบบ primitive โบโบราณ นักวางแผนงานในปัจจุบันเขาจะมองเต็มหน้ากระดานเลยเริ่มงานตรงไหนพร้อมๆกันได้เริ่มไปก่อนทำได้แล้วจะไปลิงก์กันตรงไหนก็ว่าไปไม่ใช่ทำทีละขั้นไม่ใช่ทำทีละเรื่องเราเป็นค า, ารวะมีหน้าที่ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือเลี้ยงสามีเดี๋ยนี้ให้ให้ภรรยาเลี้ยงเยอะนะมีเยอะไม่เป็นไรผลัดกันเลี้ยงนะ มีหน้าที่ท ร, รมาหากินก็ทาไปศึกษาธรรมะแล้วก็มีสติในชีวิตประจําวันมันไม่เบียดบางเวลาท ร, รมาหากินสามารถทำไปด้วยกันได้หลวงพ่อเองก็ภาวนาตั้งแต่เป็นคารวาสนะไม่ใช่บวชแล้วมาเริ่มภาวนาถ้าบวชแล้วเริ่มภาวนาก็จะเริ่มเมื่ออายุ48กว่าจะบวชอายุ48นะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ หน้าที่ทางโลกของเรามีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หมดภาระที่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็มาบวชกาใจมันจะได้ไม่มีข้อกงังวลไม่ใช่ทิ้งภาระมาเอามาบวชแล้วก็ใจก็กังวลไปเรื่อยๆอย่างนี้ภาวนาไม่ไหวอ่ะภาวนาแล้วใจจะกังวลเสียใจตำหนิตัวเองไปเรื่อยๆนี่หลวงพ่อเลยบวชอายุเยอะสี่สิบแด มาบวช ด, ด้วยความร่าเริงใจการภาวนาล้วก็พออุ่นใจนะมีทุนติดกระเป๋ามาบ้างแล้วไม่ใช่มานับหนึ่งก็พอเอาตัวรอดได้นี่ถ้าหลวงพ่อนิ่งนอนใจว่ารอให้แก่ๆ แ, แล้วค่อยมาบวชแล้วถึงจะภาวนานะชาตินี้ก็คงไปไหนไม่ไหวแก่แล้วแก่แล้วมันทำยากจริงๆนะแค่นั่งอยู่แป๊บเดียวมันเคลิ้มง่ายนะ จิตใจมันไม่มีเรี่ยวมีแรงร่างกายมันไม่มีกำลังเดินจงกรมนิดหน่อยแค่งขาขัดไปแล้วมันลำบากในความแก่ถึงเป็นทุกข์มีหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นคารวาดกรรมฐานไม่มีตั้งมากมายกรรมฐานบางอย่างสมควรแก่การปลิกตัวไปภาวนา กรรมฐานบางอย่างสามารถทำได้ในชีวิตธรรมดาธรรมดาของคารวาสนี่เองกรรมฐานมีให้เลือกตั้งมากมายการรู้กายและเวทนาเนี่ยจริงๆไม่ค่อยเหมาะกับคารวาสเท่าไหร่เพราะการรู้กายและเวทนาจะทำได้ดีต้องทำช้านคารวาสทำสมาธิยากนะมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่าน ง, ง่ายทำไปแล้วมากจะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิ นันสมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่ทําตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาสมาธิมันจะเป็นสมาธิที่ปฏิบัติแล้วลืมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วเคลิ้มเคลิมอะไรเงี้ยยิ่งเปิดเทปครูบาอาจารย์องค์เสียงนุ่มๆหน่อยอย่างหลวงปู่เทศเงี้ยนะเปิดแล้วก็นั่งแป๊บเดียวก็เคลิ้มลวหรือบางคนเปิดวิทยุหลวงพ่อเคยเปิดนะต่อนนู้นตีหนึ่งตีสองยังมีเทศครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเทศ หายใจเข้าพู่งหายใจออกโทไม่ร้อท่านนะนี่นีเล่าให้ฟังนั่งแป๊บเดียวนะจิตรวมแล้วคือรวมเข้ากับโมหะหลับมันดึกด้วยนะวิทยุช่วงเวลาดีๆเขาเอาไปขายของหมดเอาไปปลุมโลกวิทยุตอนที่ไม่มีคนฟังเอามาจัดรายการธรรมะ ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่พวกเราทำจะเป็นมิจฉาสมาธิทำแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสัมมาสมาธิไม่เคลิ้มนะจิตรวมรวมลงไปนิ่มๆเหมือนเครื่องบินลงที่ดอนเมืองต้องดอนเมืองนะ <c oughs> ลงนุ่มๆไม่คลมคลุมลุมลงไปนะเวลาจิตรวมก็รวมนิ่มๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะไม่ขาดสติ รูตลอดสายเลยบางทีรวมลงไปจนร่างกายหายไปนะเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่ก็ไม่ขาดสติเนี่ยจิตถึงจะมีสมาธิจริงถ้าขาดสติไม่ใช่สัมมาสมาธิขาดสติเป็นมิจฉาสมาธินิฆรวาสเนี่ยจะทําสมาสมาธิให้เต็มภูมินี้ทํายากไม่มีเวลาหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งเต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงเรื่องต้องคิดเยอะแยะ พอตกค่ำมานั่งสมาธิกะว่าจะให้จิตรวมไม่รวมหรอกมันรวมเข้ากับโมหะมันหมดแรงเดี๋ยวก็นั่งหลับพองอกแงะงอกแงกไปนะหมดชั่วโมงตื่นขึ้นมาวันนี้ดีภาวนาดีจิตรวมความจริงนั่งหลับถ้าดีนะจะนั่งหลับก็ใส่หมอนคอไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนบางคนสัมาสมาธิจริงๆจิตไม่ขาดสติ รวมลงมาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทํายากสิ่งที่พวกเราทําได้ก็คือนั่งไปเคลืมๆไปสงบฟุ่งนี้ฟุ้งสั้นใหม่ฟุ้งสั้นไปเต็มวันแล้วค่ำค่ำมานั่งใหม่ทุกวันก็เลยวนเวียนอยู่แค่นี้เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งสั้นเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้สงสั้นอยู่แค่นี้จิตที่มัไม่มีกําลังของสมาธิหนุนหลังเนี่ยมันรู้กายและเวทนายากกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ย เป็นสติปัฏฐานที่เหมาะกับสมัตญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าเราไม่ได้มีฌานหนุนหลังอยู่เรารู้กายเนี่ยมันจะหลงไปเพ่งกายมันจะไม่สามารถรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้จิตไม่สามารถตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูกายแต่จิตจะกลายเป็นผู้เพ่งกายหรือผู้คิดเรื่องกายมันทำได้แค่นั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นกายเนี่ย จะเห็นาธาตุไม่ได้จะเห็นความเป็นาธาตุของกายไม่ได้จะเห็นได้แต่อวัยวะเช่นเราจิตเราไปรู้ลมหายใจเราก็จะเห็นลมหายใจรู้ท้องผ่องยุบเราก็เห็นท้องรู้เท้าเราก็เห็นเท้าลมหายใจท้องเท้ามืออะไรงี้ร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่รูปตัวจริงเป็นแค่อวัยวะตัวรูปแท้ๆคือ ตัวธาตุทั้งหลายเห็นยากนะการจะเห็นร่างกายเข้าถึงความเป็นธาตุเป็นก้อนธาตุแท้เนี่ยดูยากถ้าใจไม่ตั้งมั่นมีสมา ธ, ธิหนุนหลังไม่เห็นเมื่อวันก่อนมีใครหน้ามาบอกว่าเห็นธาตุแอบได้ไหมคุณหน่งหรือใครนี่คือ ภ, ภาวนาภปพระจิตมันรวมนะถอยออกจากสมาธิมาเขามีสมาธิเยอะเเล่นสมาธิมาก่อนออกมาปุ๊บดูลงไปในกายนะี เห็นถึงความเป็นธาตุของก่ยคาเป็นธาตุลำพังรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่รูปแท้นะรูปแท้คือธาตุธาตุดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้เป็นรูปแท้แท้รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยเป็นอาการปรากฏของธาตุเท่านั้นล้วเราไปเห็นอาการปรากฏของธาตุในลักษณะของยืนเดินนั่งนอนเราคิดว่ารูปยืนเดินนั่งนอน นั่นรู้อิริยาบทสยืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้ามัวไปดูตัวอิริยาบทเนี่ยจะเห็นรูปไม่จริงไม่ใช่รูปแท้เรียกอนิพพานารูปไม่ใช่รูปแท้แต่ถ้าจิตเรามีสมาธิหนุนหลังอยู่เราจะเห็นรูปแท้เราจะเห็นธาตุา ด, ดินน้ำไฟลมจะเห็นธาตุธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรู้ด้วยร่างกายอาศัยรูปนี้เองมารู้รูป ใส่รูปนี้เองรู้รูปส่วนธาตุน้ํารู้ด้วยใจแม้ธาตุเล่นยากนะธาตุกรรมฐานไม่ใช่กระจอกมอกน้อยนะถ้า <c oughs> จิตไม่ทรงฌานไม่เห็นหรอกเงินกายานุปัสสนามันเหมาะกับคนเล่นฌานเวทนานุปัสสนาก็เหมาะกับคนเล่นฌานนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะในคำพีของเราสอนไว้อย่างนั้นเลยอธิกถาก็สอนไว้ เวทนาเนี่ยการรู้เวทนานีจิตต้องทรงฌานเหมือนกันอย่างเรานั่งสมาธินั่งอยู่เนี้ยแล้วดูความปวดความเมื่อยถ้าจิตไม่ทรงฌานจิตไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นเวทนานจะครอบงําจิตจิตจะทุรนทุรายกระสับกระส่ายนะไม่มีสมาธิไม่สามารถเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายไม่สามารถเห็นเกิดปัญญาเห็นความจริงของเวทนาไม่สามารถเกิดปัญญาเห็นความจริงของจิตตสังขารไม่สามารถ มีปัญญาเห็นความจริงของจิตไม่จะเห็นไม่ได้กายานุปัสสนาไม่ได้รู้แต่กายนะรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามเวทนานุปัสสนาก็รู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามนี่ไม่ใช่ไปนั่งจ้องเวทนานั่งสมาธิไปพอปวดเมื่อยก็นั่งดูไปนั่งเพ่งใหญ่เมื่อไรจะหายเมื่อยอันนั้นไม่ใช่วิปนะัสสนาณะไม่ใช่วิปัสสนา ถ้วิปัสสนาเนี่ยใจเราจะต้องตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูแล้วเราก็าเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึง่งเวทนาอยู่ส่วนหนึง่งนะจิตใจที่กระสับกระสายพระเวทนาเนี่ยอยู่อีกส่วนหนึง่งจิตที่เป็นคนไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่อีกส่วนหนึง่งจะแยกกันขันมันจะกระจายตัวออกนะถ้ากําลังของสมาธิไม่พอนะมันจะไปรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยมันจะรู้สึกว่าเราปวดเราปวดมันจะไม่กระจายตัวออก เงื่อนไฝึกกรรมฐานอย่างสายท่านโกเอนกาสายโกเอนกาเนี่ยก่อนจะมารู้เวทนานะเขาทําสมาธิก่อนดั น, นั้นถูกหลักเลยหรือสายครูบาจารย์วัดป่าก่อนจะมารู้กายเนี่ยท่านทําสมาธิกันก่อนเพรนที่ท่านทำถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์อย่างเงี้ยมันก็ได้ผลง่ายหน่อยทําผิดหลักผิดเกณฑ์มันก็ไม่ค่อยได้ผล เนีย่ยพวกเราจิตไม่มีสมาธิ อ, อ่าเราก็มารู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้เท้าที่เคลื่อนไหวยกเท้ายั้งเท้ารู้มือเพ่งใส่มือจิตจะถลำลงไปเวลารู้ลมหายใจจิตจะถลำลงไปอยู่ในลมนะรู้มือจิตถลำไปอยู่ที่มือรู้ท้องจิตถลำไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตถลำไปอยู่ที่เท้ารู้กายทั้งกายนะมันจะเหมือนดาวเทียมมันจะถอดมาอยู่ข้างบนแล้วก็ดูลงมาเห็นกายทั้งกาย อันนี้ไม่ใช่การรู้อย่างมีปัสสนานะมันจิตมันถลําลงไปจิตมันถลําอยู่ข้างนอกนะแต่จิตเนี่ยไหลลงมาอยู่ในกายทั้งกายจิตไม่ได้ตั้งมั่นจริงหรือรู้เวทนานะก็ไปนั่งเพ่งกายบ้างนั่งเพ่งเวทนาบ้างนั่งเพ่งจิตตสังขารคือความกระสับกระส่ายของจิตบ้างนั่งเพ่งจิตผู้รู้บ้างนี่ก็ไม่ใช่มิปัสสนา นี่กรรมฐานที่ง่ายๆอย่าว่าหลวงพ่อโฆษณาชวนเชื่อหลวงพ่อไม่ได้ชวนให้เชื่อนะหลวงพ่อท้าให้ลองนะฮะลองดูกรรมฐานที่เหมาะกับคารวาดเหมาะกับคนที่ทำมาหากินด้วยการคิดเนี่ยในคำภีเราสอนว่าการดูจิตและธรรมเนี่ยเหมาะกับพวกที่คิดมากเหมาะกับพวกที่จิตจริตพวกเรายุคนี้เป็นคนเมืองอาชีพของเราส่วนมากประกอบอาชีพด้วยการคิดเอา วันวๆเรามีเรื่องที่ต้องคิดมากมายเลยคนที่คิดมากเนี่ยจิตใจไม่สงบหรอกคนที่จิตใจไม่สงบแล้วคิดมากเนี่ยในคำพีของเราสอนว่าเหมาะกับการดูจิตเหมาะกับจิตตานุปัสสนาเหมาะกับธรรมานุปนัสสนาท่านอธิบายต่อพีจิตตานุปัสสนาทําง่ายธรรมานุปัสสนาทํายากเหราะนพวกเราที่อินทรียยังไม่กล้าไม่แก่กล้าถึงขั้นเป็นพระอริยะบุคคลอะไรเนี่ยนะ เรื่องต้นฝึกดูจิตไปส่วนคนไหนถนัดจะรู้กายจริงๆนะก็ฝึกสมาธิไปมีเวลาก็ลางานไปอยู่ตามวัดป่าภาวนาให้มีสมาธินะมีสมาธิแล้วก็เอาสมาธิมารู้กายมารู้เวทนาทั้นสอนอีกกายรู้ง่ายเวทนารู้ยากเวทนายากกว่ากายธรรมานุปัสสนายากกว่าจิตตานุปัสสนาเฉะนั้นกรรมฐานที่ง่ายก็คือกายกับจิตกายกับจิต กรรมฐานยากคือเวทนากรรมคนเมืองพวกคิดมากเนี่ยเหมาะกับการดูจิตจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำให้ดีก่อนเช่นจิตฟุ้งซ่านให้รู้วฟุ้งซ่านไม่ต้องทำสมาธิก่อนเพราะถ้าทำสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจิตมีราคารู้ว่ามีราคารู้เข้าไปตรงๆไม่ต้องทำสมาธิก่อนถ้าทำแล้วมันไม่มีราคาให้ดู จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะรู้เข้าไปเลยไม่ต้องทาสมาธิถ้าทาสมาธิก่อนจิตจะไม่มีโทสะให้ดูแต่ดูไปดูไปแล้วจิตจะเกิดสมาธิขึ้นเองนะจิตจะเกิดสมาธิเองเรียกว่าใช้ปัญญานาสมาธิส่วนการดูกายเนี่ยใช้สมาธินาปัญญามีสมาธิก่อนแล้วมาเจริญปัญญารูกายรู้เวทนาการดูจิตเนี่ยใช้ปัญญานาสมาธิ มารู้จิตรู้ธรรมก่อนแล้วสมาธิเกิดขึ้นทีหลังแต่ว่าแต่ละวันก็ต้องทำสมาธิเล็กน้อยอย่าอย่าทิ้งเลยไหว้พระสวดมนต์ก็ได้สมาธิแผ่เมตตก็ได้สมาธนะิคิดถึงธรรมะฟังธรรมะก็ได้สมาธนะิคิดถึงทานคิดถึงศีลที่เราทำแล้วดีแล้วเนี่ยก็ได้สมาธิ คนไหนชอบรู้ลมหายใจนั้นก็ทำได้ถ้าดูจิตชำนิชำนานแล้วรู้ลมหายใจก็มีสมาธิง่ายทำอะไรมันก็ทำได้ถ้าจิตมันมีสติแล้วแล้วเลยใช้ปัญญานำสมาธินะพวกที่คิดมากพวกคนเมืองเมื่อปี2526บางคนอาจจะยังไม่เกิด2526วันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลท่านก็เปลยเปรยขึ้นมา อยู่ๆท่านก็เปรยโปรๆขึ้นมาเฉยๆอ่ะหลวงปู่ดูลเป็นพลาแปลกนะถ้าไปถามเราไม่พูดตอนพูดท่านตอนท่านจะพูดตอนไม่ถามเนี่ยเราก็ไปนั่งอยู่กับท่านเงี้ยนั่ง่านาของเราไปเนี่ยธรรมะอะไรมันกระทบใจท่านขึ้นมาท่านก็อย่าบอกให้ฟังวันนั้นนั่งอยู่กับท่านนะท่านนั่งก็อี้โยกต่ก็นั่งทำใจของท่านเรารู้ทันไม่ถึงท่านหรอกเราก็ดูกิเลสของเราไป อยู่ๆท่านก็บอกขึ้นมาบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองพูดอย่างนี้นะพูดออกมาลูกศิษย์ฟังแล้วไม่เชื่อสักคนเลย <c oughs> จะรุ่งเรืองได้ยังไงมีแต่รุ่งริ่งในสมัยเมื่อปี2526ไม่มีคนรู้จักคำว่าดูจิตนะส่วนมากดูถูกการดูจิตด้วยซ้าไปจะรุ่งเรืองได้ยังไงไปที่ไหนมีแต่คนดูกาย อย่างสายท่านพุทธทาสทําอานาปนสติมันก็เรื่องกายนะสายพองยุบก็เรื่องกายนะสายครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนมากพุทธโธเขามารู้กายเนะี่ยสายอาจารย์แนบรู้อิริยาบทสี่ก็เรื่องกายสายหลวงพ่อเทียนขยับไม้ขยับมือนะก็เรื่องกายไปทางไหนมีแต่กายรุ่งเรืองอยู่ๆหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้การดูจิตจะรุ่งเรืองในเมือง เวลาผ่านมาปรากฏว่ามันรุ่งเรืองจริงนะมาถึงวันนี้ใครไม่ดูจิตค่อนข้างเฉยละมันก่อนหลวงพ่อไปงานหนังสืองานหนังสือไปที่บูธของอ ม, มรินเห็นมีโฆษณามีหนังสือดูจิตออกมาพิมพ์ขายเยอะแยะเลยในนี้ไปที่ไหนก็สอนดูจิตดูจิตดูจิตจริงๆดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนมากดูไม่ใช่จิตหรอกไม่ถึงจิตจริงๆส่วนมากไปดูได้แค่อาการของจิต ไม่ได้ดูตัวจิตจริงๆดูความปรุงแต่งของเขาดูมายาที่เขาสร้างขึ้นมาดูไม่ถึงต้นตอของมันส่วนใหญ่มาถึงวันนี้ทำไมการดูจิตรุ่งเรืองในเมืองแท้จริงก็คือสังคมมันเปลี่ยนนั่นเองเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนโน้น3าิปีสี่ปีก่อนนะั้นสังคมเราเป็นสังคมกเกษตรวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคนทางานที่ไม่ต้องคิดมากกรรมฐานที่เหมาะกับ ชีวิตที่เรียบเรียบง่ายๆ ง, ง, งั้นคือการทำสมาธิแล้วรู้กายทุกวันนี้สังคมเราเปลี่ยนไปหมดแล้วมีแต่ความเร่าร้อนทุรนทุรายทำสมาธิไม่ลงละนี้ท่านอาจจะพิดิตจากแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ได้เนาะ <c oughs> ถ้าไม่พูดเรื่องปฏิหารสังคมเราเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองคนในเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือดูจิตนั่นเอง เราไม่มีเวลาวันละหชั่วโมงไปนั่งสมาธิเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงในแต่ละวันการดูจิตไม่เบี่ยนบางเวลาทำมาหากินเราฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนเลยหลวงพ่อฝึกตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนตอนเช้าตอนนั้นยังทํางานอยู่ตื่นตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจแห้งแลง้งข้าราชการที่ดีนะวันจันทร์ใจจะต้องแห้งแลง้งใครเป็นบ้างสารภาพมามีไหม ไม่มีเลยเหรอนี่ล้วนแต่คนดีน่านับถือ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นหลอกลวง <c oughs> <c oughs> ตื่นมาวันศุกร์นะจิตใจสดชื่นอถ้าใกล้ลองวิกเอนนะสดชื่นล่วงหน้าด้วยนะอย่างสมมติว่ามันจะมีลองวนะิกเอนเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์วันวันอย่างเนี้ยวันสงกรานใช่ไหมหยุดตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมตั้งแต่วันจันทร์วันอังคาร น, นี่นะเริ่มสดชื่นละ ใกล้ลองวิกเอ็นกรรมฐานนี้ทําง่ายตื่นนอนขึ้นมานึกขึ้นได้วันนี้มันจันทร์ใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงเห็นเลยความแห้งแรงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเราความแห้งแรงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่นามาทําอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตื่นขึ้นมาวันศุกร์จิตใจสดชื่นเราก็เห็นอีกจิตใจมันสดชื่นขึ้นมาพอมันคิดเรื่องนี้แล้วมันสดชื่น ความสดชื่นมีเหตุมันก็เกิดพอไปเปลี่ยนเรื่องคิดความสดชื่นก็หายไปความสดชื่นเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งไหลามาไหลไปความสดชื่นไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆจะไปขึ้นรถเมย์เห็นคนเต็มป้ายรถเมย์เลยรุ่มใจนะรู้สึกเบื่อจะต้องแย่งชิงกับคนมากมายใจเราเบื่ อ, ร, อรั่ว่าเบื่อเห็นรถเมย์ว่างๆมาดีใจรู้ว่าดีใจ ลูกเมยไม่ยอมจอดนะจิตพลิกจากดีใจเป็นโมโหโกรธรู้ว่าโกรธนี่กรรมาฐานเราฝึกกันง่ายๆอย่างนี้ เ, เวลาจะทานข้าวทานข้าวเห็นอาหารเห็นกับข้าวที่ชอบใจใจมันดีใจขึ้นมารู้ว่าดีใจเห็นแต่ของไม่ชอบเนี่ยไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไปเรื่อยๆ ตาเรามองเห็นเช่นเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจรู้ว่าดีใจนะเห็นมาบ้าวิ่งมาเรากลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้รู้ง่ายๆ่ายอย่างเงี้ยรู้ซื่อไปนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งใจให้นิ่งแต่ให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นเราจะเห็นเลยจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนไม่คงที่ แต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันสดชื่นบางวันแห้งแล้งแต่ละเวลาในวันเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำนี่จิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจขี้เกียจขี้คล้านจิตใจมืดมื ด, ม, ดมัวมัวนี่โมหะเอาไปกินกลางวันต้องยุ่งเกี่ยวกับคนมากมายหูดหงิดําคาญนี่โทษาเอาไปกินแล้วค่ำๆเลิกงานสบายอกสบายใจนะ เลืดเพลินดูทีวีฟังเพลงอะไรเงี้ยราคาเอาไปกินนล้วใจเราวันเดียวกันนะยังไม่เหมือนกันเลยให้คอยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการที่เราตามดูไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้มันดีไม่ใช่เพื่อให้มันสุขไม่ใช่เพื่อให้มันสงบตามดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญาขึ้นมันจะเห็นเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้าย เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันทํางานของมันเองสารพัดเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อใดเห็นนะว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เป็นตัวเราอีกละเพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเรามากที่สุดดงั้นการดูจิตง่ายนะถ้าเราดูมาเรื่อยๆจนเราเห็นว่าจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันบังคับไม่ได้ พอใจละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราอีกแล้วลำพังเห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่ยง่ายนะทันทีที่สติเกิดจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราก็ง่ายพอสติแท้ๆเกิดก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราแต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่ยากยากเพราะเรายึดเหนียวแน่นว่าเป็นเราร่างกายเนี่ยมีความแปรปรวนให้เราเห็นได้ง่าย เป็พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกคนที่ไม่ได้ฟังธรรมปุถุชนที่ไม่ได้สดับนคือหมายถึงไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะงะนั้นคนศาสนาอื่นก็เห็นได้แต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรารพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เลยนะเพราะฉั้นถึงเราไปดูจนกายไม่ใช่เราแต่เรายังเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยสักกยยิทิฏฐิจะไม่ขาด ในขันห้าเนี่ยขาดไปสี่ขันเหลืออยู่ขันเดียวคือจิตเป็นตัวเราสกายธิติไม่ขาดเป็นพระโสดาบันไม่ได้สีขันแรกมันของง่ายโดยเฉพาะกายเนี่ยคนศาสนาอื่นก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะมันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายหน้าของเราปีนี้กับปีกลายยังไม่เหมือนกันเลยหน้าเราตอนนี้กับตอนเด็กๆ ก, ก็ไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเหมือนกันสักอันเดียว แต่จิตนี้เกิดดับรวดเร็วพุทธเจ้าท่านบอกงนี้นะทําไมปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตนี้เกิดดับเร็วมากมันเร็วจนกระทั่งต่อเนื่องนะเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคล้ายๆเราดูการ์ตูนนั่นเองเราเห็นว่าตัวการ์ตูนหนึ่งตัวสมมติโดเลมอนเดี๋ยวนี้การ์ตูนเป็นตัวอะไรหลวงพ่อไม่รู้จักนะจากสมัยโดเลมอนเนี่ยทันนะเราเห็นโดเลมอนเดินไปเดินมาอยู่ในโทรทัศน์ได้ แท้จริงมันคือภาพแต่ละภาพที่มาต่อกันอย่างรวดเร็วนั่นเองภาพแต่ละภาพที่เกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเราเกิดความสำคัญมั่นหมายว่ามีโดเรมอนขึ้นมาจิตของเรานี่แหละเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วจนเราสำคัญมั่นหมายว่ามีจิตเป็นตัวเราที่คงที่ถาวร อ, อยู่ตัวหนึ่งแล้วจิตนี้ทางานเคลื่อนไหวต่า ง, างๆนานาได้แต่ถ้าเรามาหัดดูจิตให้ชนานาญแล้วเราจะเห็ น, นจิตนี้เกิดดับตลอดเวลา จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเกิดขึ้นมา เ, นเกิดได้แวบเดี๋ยวเกิดจิตอกุศลอีกละนะอกุศลมกักจะเกิดซ้ำๆเยอะนะซ้ำๆเช่นใจลอยใจลอยใจลอยใจลอยใจลอยไป500ยครั้งนะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาโอ้ยเมื่อกี้ใจลอยไปรู้สึกตัวขึ้นหนึ่งแวบแวบเดียวนะ แต่ตอนใจลอยนี่ห้ารอแวบยังยังน้อยไปเลยนะใจลอยได้ริงเป็นชั่วโมงแต่เวลารู้สึกตัวรู้สึกได้ขณะเดียวทีละแวบเดียวนิดเดียวงั้นจิตส่วนใหญ่เป็นอากุศลเราจะเห็นเลยจิตอากุศลเกิดนะเกิดร้อยเรื่องพันเรื่องเลยเสร็จแล้วเกิดจิตที่รู้ทันขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวเกิดจิตอากุศลต่อไปอีกละเดี๋ยวก็รู้สึกตัวได้อีกแวบหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะในที่สุดเราจะเห็นเลยจิตมันเกิดดับ จิตที Look, ่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจ like ิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เผลอเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเราจะเริ่มเห็นความเกิดดับของจิตหรือจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปยังไปอยู่ในความว่างเฉยๆเสร็จแล้วมันก็ดับมันเกิดจิตสงสัยให้มันจิตฟุ้งซ่านจิตตัวนี้ไม่สบายแล้วไม่ค่อยมีความสุขแล้วนี่จิตใจมันเกิดดับ หรือบางคนดูได้ละเอียดเนี๋ยเห็นจิตเกิดที่ตาดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูนะจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเกิดที่ไหนดับที่นั่นเนี่ยจะเห็นจิตเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆการที่เราเห็นบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกนะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยนะถึงไม่เคยเล่นฌานมาก่อนนะ ถึงจุดนี้จิตจะเกิดอัปนาสมาธิเกิดฌานอัตโนมัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงฌานที่8เลยเกิดได้ถึงฌานที่8เลยพอจิตรวมลงไปแล้วจิตจะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างเกิดดับสองสามขณะบางคนเห็นสองครั้งบางคนเห็นสาครั้งเห็นสิ่งบางสิ่งปรากฏขึ้นแล้วก็ดับปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะไม่มีสัญญาไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าคืออะไรไม่มีความคิดปรุงแต่งเจือปนเลย ก็จะเห็นแต่สภาวธรรมเกินดับสองสามขณะหนละจากนั้นจิตจะวางการรับรู้สภาวธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้จะทวนเข้ามาในขณะที่วางการรู้อารมณ์นั้นไม่ใช่ปูถุชนแลในขณะที่ธาตุรู้แท้ๆยังไม่ปรากฏขึ้นนะก็ไม่ใช่พระอริยบุคคลนี่พอทวนกระแสเข้าถึงธาตุรู้ปั๊บเนี่ยอริยามรรคเกิดขึ้นมันจะประหารสังโยชน์มันจะแหวกอาสวะกิเลส จะแวกสังโยชน์แวกกิเลส ช, ชั้นละเอียดในจิตในใจของเรานี้ออกจะถูกแวกออกแวกชั่วขณะเท่านั้นอริยะผลจะเกิดขึ้นสองขณะบ้างสามขณะบ้างแต่ละคนไม่เท่ากันพวกที่อินทรีย์กล้าจริงๆนะจะเกิดสามขณะเกิดผลสมขณะพวกที่อินทรีย์ไม่กล้าจะเกิดผลสองขณะโสดาปฏิผลสองขณะพวกสองขณะเนี่ยพวกเกิด7ชาติพวกเกิดเจชาตินะ พวกที่สามขณะเนี่ยพวกเกิดน้อยแล้ว2ชาติสมชาติชาติหนึ่งก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่พวก7ชาติไม่ใช่ว่า7ชาติแล้วต้องเจดจริงๆนะถ้าถัดจากนั้นขยันรู้ขยันดูต่อไปมันก็จะลดลงได้อีกอินทรีย์จะกล้าขึ้นกระบวนการตรงนี้จะเกิดในเวลาแว บ, บเดียวนะเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมาจากสมาธิกลับมาสู่โลกข้างนอกเนี่ยแล้วจิตจะทวนกระแสะกลับเข้าไปพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว จะรู้เลยสักกายะทิฏฐิขาดไปแล้วะวิจิกริชฌาความสงสัยในพระรัตนตรัยขาดไปแล้วสิรพัตตาปรามาสการถือศีลบาเพ็ญลดการปฏิบัติธรรมแบบโ ง, ง่งมงายนี่ไม่มีอีกต่อไปแล้วดูลงมาทีไรจะกลวงกลวงไม่มีตัวเราอีกต่อไปแล้วพวกเราดูไปเจ้าเอตัวเราทุกทีรู้สึกไหม <c oughs> ถ้าได้โสดาดูไปปุ๊บไม่มีเราลนะนะค่อฝึกนะใครฝึกไปวันนี้ทําไมเทศเนื้อหาล้วน <c oughs> เ, เชิญไปทานข้าวไปนิมนต์ครับ